โดยโยยออกเสียงครึ่งนึโดยโดยแปลว่าสสวเลาะดีเนาะอืม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 จิตขอเราก็ดีขึ้นละเอียดขึ้นผนิข์ผนี้ขึ้ น, น, นเราไม่อยู่ในภาวะนี้สมมติเราสึกไปหรือเราออกไปเราไปอยู่ในภาวะใดก็ตามเราก็สามารถเจริญได้เราก็สามารถทำได้เพราะวิธีนี้เป็นวิธีฝึกให้เราฉลาดฝึกให้เรามีจิตที่สงบฝึกให้จิตของเรามีปัญญาฝึกให้จิตของเรามีสมาธิ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 สังรวมวยยาจาก็เบาจิตมาสังรวมมาให้อาตุสสนไมนเกิดขึ้นแทรกมาที่กายที่วยยาจาและกที่ใจสําคัญที่สุดก็คือที่ใจในเมื่อเรามากํากับที่ใจกายก็ไม่ต้องพูดถึงวยยาจาไม่ต้องพูดถึงมันจบไปหมดแล้วตื่นปลกุกจิตให้ตื่นสังรวมอยที่จิตสํารวมที่จิตนะสํารวมมาให้บาปเกิดขึ้นที่จิต คนรวมบาปใหม่ไม่เกิดและพยายามละบาปเก่าที่มีแล้วเป็นแล้วน้ามันทะลักเข้ามาในเรือของเราเราอุดรูไม่น้ำใหม่ทะลักเข้ามาน้ำเก่ามีอยู่ในนั้นเราพยายามวิทยออกวิทออกวิทออกวิทออกเรามาเทียบดูที่อุปมาณน้น้ำในเรือที่มัทะลักเข้าไปทับท่วมเรือนั้นน่ะสามารถหมดไปได้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 น้ามันตรลักเข้าไปการที่เราตัอ้งอกตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีคุณสมบัติอันนี้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราดูอันนี้เป็นอุปประมาณสังวรประทานประธานประทานเรายัไม่ให้ตัญหาใหม่เกิดยามละตัญหาเก่าที่มีแล้วเป็นแล้วภาวนาประทานอนุรักษนาประทาน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 เป็นพระอรหันต์หมดอุปธิภิถ้าหากยังไม่ถึงกับหมดอุปธิภิถูงสุดเป็นพระอนาคามีอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดต่ำสุดเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็ทำภพชาติให้สั้นนะเด็กก็ปีชีไปเกิดอีกโดยเกิดอีกพืชเดียวคือเกิดกชาติเดียวโคลังโกละโคลังโกละ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 ฐานเวทนาด้วยฐานจิตด้วยพิาจารณาตะล่ำกรไปตะล่ำกระไปตะล่ำก็ไปอันนี้เป็นอารมณ์ของพิจารณาเป็นอารมณ์ที่ทําให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดที่ใจของเรานี่แหละเอาใจดวงนี่แหละพิจารณาหาเรามาแยกกันพูดเฉยแต่เราขี้เกียจดูยักย้ายฝันแปรก็กําหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทพโธ ค ว, วามสงบเป็นเรื่องของสมถะบทที่เราสวดทั้งหมดนี้เจริญบางอย่างทาให้เราได้สมถะเจริญยักย้ายขันแปรดูกิริย า, าการของมันสลับเปลี่ยนไปเรื่อยทำให้เราได้ปิปรุนานี่ในหลักที่ท่านพาเราสวดเนี่ยบทมายปฏิปฐาเนี่ยไปด้วยข้าใจไปดูคัาแปเข้าใจ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 หมุนด้วยสังวป ร, ป ร, รประทานประธานประานภาวนาประทานอนุรักษ์ขนาประทานประธานทั้งสี่เราเจริญอย่างเดียวมันก็ทั่วถึงกันหมดมาจีประทานทั้งหมดนี้เราเจริญบทใดบทหนึ่ ง, งก็ทวดทั่วถึงกันหมดทําไมจึงทั่ทท ว, นน ว, ว ถ, ถึงกันหม ด, มหมดเพราะเราเจริญที่จิต ด, ดวงเดียวจิต ด, ดวงเดียวรู้เท่าเท่าจิต ด, ดวงเดียวจิตตัวเดิมเจริญบทไหน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 ทอดทิ้งความพยายามทอดทิ้การกําหนดจดจบพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์ที่นหนัวใจของเราหนักหนักเข้าปล่อยหนักหนักเข้าทิ้งอยู่แบบไม่มีประโยชน์โศกจิตพคนไหน้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราวันคืนล่วงไปมันก็เปล่าประโยชน์ไปตั้งใจจะขึ้นสู่ที่สูงตั้งใ จ, จะตั้งตอนภาวนาจิตของเราได้รับความดีความดีพิเศษสุด